จิ่มบูชาเทพธรรมสามิตรน่วยสักการาปรามิตรมีธูกเทียนและดอกไม้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจไม่กราบไม่ไหว้ทนก็ไม่สัตว์อะไรแม้ในพระ อ, องค์ยังทรงมีปะชนอยู่ผู้ที่ได้เข้าใกล้ พได้รับความอิ่มใจตอนาำประเทไทยที่ประกอบเป็นความบริสุทธิธ์คือความเย็นเหมือนอากาศที่มันเย็นแต่มันเย็นภายนอกอากาศนีแต่ไม่เย็นถึงใจแต่คุณของพระพุทธจามันเย็นถึงใจเวลารับดับความทุกข์ใจได้ชัว่วขณะ แล้วเรายัางบำเพ็ญความดียังไม่ถึงที่สุดแต่ถึงยังไรเราก็เป็นเหตุอมายนี้ให้เกิดความเลื่อมใสพระเมตตาคุณพระองค์ทรงมีพระเมตตาในพระโอรสของพระองค์เองในสัมสัตว์ทุกขี่นิด เม่พระองค์ุริมานเป็นโจรดุร้ายอะไรติดตามเพื่อจะพุงพระชนพระองค์พระองค์ตัดว่าเออข้าเพเจ้าวางแล้วแต่ผู้นีังใจแย่มโหยังไม่เห็นว่าข้าเพเจ้าไม่ทำบาปแล้ววางจากบาปแล้วทำให้องคุริมานนั้นมีกิดมีสัตว์ สติขึ้นมา ส, สตินี้คุมภุมจิตของตนได้เมื่อได้ํากิจดังนี้กล่าวนี้โอกาสไปจวบกับผู้ที่ถึงเก่มาลรกำเป็นคุณโยมชอบทุกท่านขอทราบกันดี องญาติองมิตรวงสหายรวมมารวมกันจะ แ, แดงความพร้อมเพรียงเพื่อทำบุญูทิ์โดยนำจิตที่ประกอบด้วยเห็นคุณความดีซึ่งกันได้กันนี่เป็นหลักในทางศาสนาเป็นเครื่องยุทิเดี่ยวนำใจ ได้ทำคำต่างๆซ้อนทันงหมดดานันการให้ด้วยให้วัตถุบ้างบูชาคุณของพระพุทธเจ้าให้อภัยกันบ้างคนเราอยู่ร่วมกันเป็นกฎของธรรมดาดิ้นกับกันยังกัดพยายามยังไงมันกัดได้เหมือนกัน ในทีนี้จึงจงให้อภัยอภัยทานบางที่บางวัดเขาเขียนให้อภัยให้อภัยไม่ต้องกลัวคนเราอยู่ร่วมกันมีน้ำใจเมตตาต่อกันกันคนเราต้องทิ้งขันไป ในทางศาสนาท่านสอนให้บำเพ็ญบุญในขั้นต้นเป็นโอกาสคำบงเพ็ญทานีนระหว่างการที่จะบำเพ็ญทานได้ในระหว่างที่ยังบำเพ็ญไม่ได้ก็เป็นเภสัชจิบ น, น้าดื่มบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่ า, า, าการบาเพ็ญบุญเหมือนกันคือบุญเป็นเครื่องฟอกจิตของตน ไอ้ปติจกคัณจริยาคือความเสน่ตรงนั้นหลักธรรมดันว่าโคเทนชีนเนนะการิยังดานีนะชนะคือความประณีด้วยการให้เป็นอุบายที่ให้ใจเราเบาีิเเรนี่มันหนัก ในจริงนี่นมีประโยชน์เลยนะคีเรนลักษณะตาหนุ่นาานกดำกำลังของตายีเรกว่าบำเป็นฐานมันเป็นสิ่เพื่อย้ำมัอนเราตำเมือตาปูให้แน่หนาจึงเกิดสติปัญญาขึ้นมาง่าโลกที่อยู่ร่มเย็นเป็นถุกทุก แห่งวุ่นพระบัณฑิตบนบัญญัติศีลไว้แต่จริงศีลมมีอยู่ประจําโลกแต่เราองค์ทรงสอนว่าคนอยู่ระว่างกันต้องให้มีศีลถิ่นเว้นเด็ดเบียนจึงจะแด้กันแบนแย่อย่างอย่างจริงพยงแล้วคนจะดมเป็นประพริด ร, ร่วงประเวณีเป็นความไม่มีเป็นขวรร่วงน้ำใจ ยำยีน้ำใจถึงกันเลิกันแต่เราคิดดังนังนี้เอาใจเขามาใสจ่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเราก็จะเห็นว่าสีนธรรมนี้เป็นกรอป้องกันภัยได้จริงท่านว่าอย่างนั้นไม่มีอันตรายต่อกันการพูดจาพาทีก็เหมือนกัน เขาไปมั น, น็นมงคลดางสูตรโค น, นันธรริสารก็อย่างนี้ที่เป็นมงคลเก่าสัจวาจาคือเก่าจริงมาทุรวาจาวาจ า, ว า, าวาจาออนหวานปียวาจาวาจาเป็นทีพรกสัมลวาจาวาจาสละบสวย มันคนทำอะไรทำอาหารชราสารไว้สุดเป็นที่น่าจะบริโภคน่าจะฉ่ำนพิธีกรรมตั้งใจดีของผู้ประพฤติความดีครับเป็นพิธีการของทางศาสนาไม่ เดินไปน่ไปเสียก็ว่าสิ่งเวลอมไม่ดีส่วนเสียขอสุราหรือสิ่งเวล้อมต่างๆพิจัยมาที่สิ่งเวลอมจินเขาปลูกตน้นไม้เท้าวันพันเกี่ยวเขาเรียกรแต่ใจไม่ครบเหมือน น, นั้นใจคน ใส่แรวต้นไม้ได้ถูกตะ ว, วันปันถ้าเราไม่แก่ปัญหานั้นต้นไม้ก็ต้องตายสมัยนี้จง่าง e s u l t i n g พระองค์งทรงเห็นเหตุของการเป็นอยู่ของหมู่ชนพระองค์ทึงทรงบัญญัติสีนว้ตัดสีนว้เราอุทิตสีนไม้ อีต่อท้ายอานิสง์ของการบุคคลมีศีลที่เรนสุกติยันติมีศีลกมีสุกติคือความปลอดภัยบางที่ก็อาภัยพลังทั้งผัวเมียผัวกับภรทา ย, ยาพลังแตมาเคยาไม่นวนไปฉันที่ฟลริดาเกิด เขาจึงอธิษฐานว่าขอบารมีของพระพุทธเจ้าขออันตรายยันมากล้ำไกลสถานที่ของต น, อกงอนก็แก้ได้พันอธิษฐานจิตด้วยจิตเรื่องใสในคุณของพระพุทธเจ้ า, าศาสนานต่าบุคคลมีศีลบริบุร จินสกาลิธีเราลมันบมันเป็นความดีใครขอไปถ้าเราผูกเขาบอกูกมีเวนกันพระพุทธเจ้าจารย์ในเวเรนเวลานิส ม, มันติธ้ากูดาเจนังอาเวเรนาจารสมันตินั้มันติท้ากูดาเจนัง พุทธะมีเวรกันมน้นพบพระพุทธเจ้าหน่อตรงถึงละเวนหนดเวรกันได้จึงเราละไม่ทำทีงนั้นเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวรถึงเวลาผนขอ ง, ง่ายแต่เราทำได้เหมือนเราทำหน้าการทงานหน้าที่ถึงเวลาก็ต้องทำตามนหน้าที่ ผลดีที่เราทำไว้ไปถึงขอให้ผลดีพอเป็นเสื่องตกแต่งเรือง่างคามดีตกแต่งให้รู ป, ปรพัณุ์ฉันทานสมควรในนิติกันประชุมปฏิทินในเทติบุริโสคันพีเรอดักันดีกเกจเตียเทากัน ฝังคุมทัพย์คือบุญไว้ไว้ในศาสนาบุญนั้นเราเก็บเป็นดอกออกผลมาให้แก่บุคคลผู้ฟังคุมทัพย์คือบุญไว้บุญนี้คอยรองรับผู้บำเพ น, นั้น แต่อบรมาเมืน่าบุตรทดาเรียนสำเร็จแล้วตามวามนมามดาไม่ดาก็ต้องตอนรับบุตรด้วยความอิ่มใจโดยความปลอดภัยจากไปการไปเรียนถูได้จะเรียนอะไรในทางศาสนาปะสจมนถึงจัดไว้แล้วได้ศึกษา ก็เปิดดับสติปัญญาความรู้ความเชราชาเข้าใจในชีวิตของตนเป็นอยู่ประจำวันชีวิตของเราอยู่ประจำวันคือความปลด ภ, ภ, ภัยบุนที่เราห้อนดวงใจของเราให้เป็นทองคำขึ้นมา แต่ใจของเราเป็นทองคำเแล้วนึกอะไรก็ได้ประเทศชาติของเราถ้ามีทองคํามากกับเป็นประเทศชาติที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เราท่านเหมือนแต่เรามีความดีมากความดีมันเต็มในหัวใจของเราไปดูใ น, นความดีนั้นตกแต่งในความสาเร็จรของตนตตามความปรารถนา เขาเรียกว่าภาวานามหมที่เราฝึกทำสมาธิเดี๋ย ว, วนี้ตามสังเกตไปที่ไหนก็ก็นิยมบ่มอินทรีย์บ่มจิตใจของเราเนี่ยให้มีธรร ม, มะขึ้นมาคือเรามีธรร ม, มะคือสติ เราดูว่าคีเรศองไหนมันมือย่างไรมันจะไปอย่างไรเราคอยดูมันคอยดูแ้่เราคอยดูคีเรศไม่ไม่แสดงอาการขึ้นมาผู้ที่มีปัญญาพิจารณาพิจารณ์นัน้นแะ เป็นวิชาเป็นวิชาคือความรู้เรื่องตัวคิเวตเก่ดเหตุที่ให้เราประสบกับความไม่ดี่ น, นั้น เมื่อกิเลสอันนั้นไม่สามารถเข้าสู่ดวงใจจึงเริอมมีวิชาขึ้นมาวิชาเกิดขึ้นในจิตของตนจิตที่สงบราบดับนิโวนมันเดอนเดินกลามหาัมุมดไม่มีมขึ้นลมลมก็เงียบขึ้นก็เรียนกน้ำก็ใสเรือก็เดินสบาย จิตใจก็เราสงบราบดับนิโวนกามบุ่นวาในดวงใจไม่มีดับสนิทนิปุตานิน ป, นปุตานิพุตานร้าปิโตนะครับ นิพุตเติพุเตคุณช่วนาเวีผิดตาตาคุณมาเนี้เป็นโบโกรตของบิดาใดเบิดานั้นเย็นใจก็เหตุไร ร, บรอบวงทรงมีบารมีความดีเต็มเปี่ยมในพระดุไทเราทำความเข้าใจ ในการภาวนาทาจิตของเราให้มีสติรู้ลมหัวใจรู้ลมหายใจครับลมหายใจนี่เป็นยอดเป็นที่รักของชีวิตเป็นความสุขของชีวิตทุกชีวิตนอนให้ใจสบายความสุขของร่างกาย ความสุขของใจแต่ใจสบายกายสบายใจสบายไม่ต้องปริพวดทางบุญคือดยทำบ่อยๆสั่งส ống, มวิชาขึ้นมา รู้สิ่งเป็นวิจาวิจารนั่นแสดงว่าทิพประจกูตาทิก็มีกับคนในปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมแล้วกับคนเห็นการใครกับวิสัยวิสัยทัศเห็นเหตุการณ์เหมือนกับตา ก, กพาชหน้า บางคนที่มีบุญบุญม่สำคัญมากบุญเป็นเครื่องโฟกใจให้กายจะจากสนิมใจนางอุตราธิดาของนายปุณนะใครจะบําเพ็นบุญ ไปอยูนเจคุณที่เกิดมิชาทิฏฐิท่านพานาไว้อย่างนั้นจึงจ้างคนไปช่วยปฏิบัติสามีจนมามีโอกาสได้บำเป็นทานได้ความธรรม ม, มันเป็นมันเป็นทานรักษาศีลฟังธรรมมีโอกาสดีใจเกิดความปิติอิ่มใจคำ ม, มุกคำ ม, มัวอยู่ในในที่ทาอาหารปุท่ที่ไม่เข้าใจนึกว่ามีความอิจฉา หลักธรรมะอิจฉาปากโตริงที่ไม่มีมันมีอิจฉาบอว่อาอาจารย์ตังสิ่งไี่มีว่ามีอาภูตังจริงที่ไม่เป็นว่าเป็นอย่างนี้เขาเรียกอิจฉาปากโต นางศิริมาเป็นยญิงภายนอกมีควา ม, วามเข้าใจผิดจึงเอากำบวยตักน้ำมันที่เดือดฟันต้องการจะรดศีษาของนางอุตราธิดานางเป็นหนึ่งอุตรายในนั้นจึงอธิษานมาเออ เปนตัวนี้กำเนดโกรนะแต่โกรธให้น้ำมันในรกตัวเองทำไมโกรธขอไหมมั น, ม, นมันเย็นมันเย็นน้ำมันมันเย็ น, นอำานาจเกิดฟังไว้ใว่าห้ฟังหูไหว้หูทัความรู้ไว้แต่ตจำเแสดงว่า ผูน้นี้พระผูน้นี้ยังนอยก็เป็นพระโสดาบันใครจะบาปทุตุไรก็ไมห่ห้ามอีกเนื้อมาอาบน้ำมาใส่ ย, ยาให้มาถูกที่คนเพื่อนทุบที่มาใส่ ย, ยาปฏิบัติวัรฏะโดยมั่นใจนึกเป็นพระคุณ โอ oh, โอกาสโลกนี้มันแคบเกินไป mm hmm. พรมันโลกเขต่ำเกินไป mm hmm. เขามีเมตตาเปิดโอกาสให้เราได้บำเพ็ญความดีครับจ mm hmm. ะนั่งความดีเนี่ยมันจะเกื้อรักษาความคินจ mm hmm. ะนั่น หลักทรรมการบำเป็นความดีในหลักย่อโย่ทานทเขีน ย, ยนญายโยมบำเพ็ญทานนะใช่บำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาเมื่อมีโอกาสก็มานั่งภาวนามีโอกาสกที่คุณโยมชอบ ชินบุญไปเราก็ได้ทำความดีขึ้บำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาถ้าเราบำเพ็ญภาวนาทำจิตในสอบแล้วาาอาบายาทำความอ่อนน้อมบ้างเออมางกมูไหว้มากับนขนาข่ไว้เรว่าจะนางใหม่ปฏิทานางหมแผ่ส่วนบุญ ปโตนปตานโมทานัยบางท่านกับมาโนโมธนาเวลาเนี่ยธตมาก็าลทำธรรมโบธยากาถาและโอกาสได้ฟังธรรมธรรมัดสวนามัยการฟังธรรมก็เป็นบุญทำในใจของท่านมีความรู้ขึ้นมานิดหน่อยเราฟังบ่อยๆไปอ่านตำรา ธรรมยาก็เป็นเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ถูกต้องเมื่อเราเรียนแผนที่ความรู้ทางศาสนาชีให้ดวงใจเราเดินไปทางที่ถูกธรรมะเป็นผู้นำในดวงใจเป็นยอดยานภานะนำไปสู่ความปลอดภัยแห่งชีวิตก็ได้เป็นปัจจุบันที่ จุดปตปฏิญานอย่างคือจูติเนี่ยเกิดมุนแม่รับรองบุญญาณของผู้ที่ร่วงรับจากโลกนี้ไปสู่พระโลกเบื้องหน้าตามหลักพุทธศาสนาพระจ้นมนขอให้ทุกท่านตั้งใจอุทิศส่วนบุญอันนี้ด้วยนั่นจิตอันเลื่อมใสอันหามด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรม ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนสืบกันมาถือว่าเป็นจริยธรรมท่นที่ควรประพฤติในมงคลที่ว่าดา น, นันจากการให้ด้วยธรรมจริยาการประพฤติทำรรยาต่การนั้นจะสร้างเขา้าการส่ครอยาแม้แต่เพื่สาธา ก็ยังสงคราต์นั่งเกียย่ยว่องกันไปนั่นลูกโซ่แล้วได้วงทำประโยชน์ได้เต็มที่ความดีที่เราบำเพ็ญดีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอความดีตามที่กล่าวนี้เราเป็นสักขีพยานอภิบาปลปกปักรักษาท่านทุกท่าน มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้มีความสุขใจอิ่มใจในการทำความดีจิตใจผ่องใสจงมีความสุขกายสุขใจจงทั่วกันต่อไปดีกว่าจะจบรายการของการทำสมาธิ คอยสัมบรณ์ระวังขอความหมอดทนดักมิตความหอดทนนี้เป็นคุณธรรมอันสำคัญเป็นอุคุณธรรมต้องดำเป็นนำมาใชา้